บทที่53ชีชบาคืนแรกที่มาอยู่วัดป่ามะม่วงชีชบาก็ได้รับบทเรียนจากเทพกาหลงขณะที่นอนหลับสบายอยู่ในห้องหล่อนก็ถูกปลุกขึ้นมากลางดึกคนปลุกเป็นหญิงสาวผมยาวเคลียรย์ไหลหน้าตาคมขำรูปร่างได้ส่วนสัตว์ชีสาวลุกขึ้นนั่งรู้สึกโกรธที่ถูกรบกวนในยามวิการเช่นนี้ เธอเป็นใครเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงหลอนถามผู้หญิงที่มายืนอยู่ตรงหน้าด้วยเสียงเกรี้ยวกราดไฟในห้องสว่างสวยไม่รู้ว่าใครเปิดทิ้งไว้ฉันชื่อกาหลงจะเข้ามาคุยกับเธอสักหน่อยเทพกาหลงตอบได้เสียงปกติคุยอะไรกันดึกเดือนเที่ยงคืนอย่างนี้ฉันไม่คุยด้วยหรอกเสียเวลานอนชีสาวทาท่าล้มตัวลงนอน หากเสียงที่มีอำนาจสั่งบ้ายังนอนไม่ได้จนกว่าจะพูดกันให้รู้เรื่องก่อนนี่เธอจะอวดดียังไงมาสั่งฉันรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครขนาดสมภารวัดนี้ยังต้องยอมฉันก็แล้วเธอหนักสำคัญยังไงอหังการเธอพูดออกมาได้ยังไงรู้ไหมว่าหลวงพ่อท่านไม่ใช่พระธรรมดา ท่านเป็นพระอริยสงฆ์เชียวนะระวังจะตกนรกอเวจีนรกสวรรค์อะไรฉันไม่สนใจทั้งนั้นออกไปจากห้องฉันได้แล้วฉันจะนอนละคนเป็นชีออกปากไล่ฉันบอกว่ายังนอนไม่ได้ได้ยินไหมเสียงนั้นคล้ายกับมีอำนาจลึกลับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเชื่อฟังเอาเถอะไม่นอนก็ได้ ไหนเธอจะพูดอะไรก็พูดมาแต่ก่อนอื่นฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนก็บอกแล้วไงว่าฉันชื่อกาหลงหลวงพ่อท่านชวนให้มาอยู่ที่นี่เมื่อสิบปีก่อนทีนี้คงรู้แล้วสินะว่าใครสำคัญกว่าเธอหรือฉันและตอนกลางวันเธอไปอยู่เสที่ไหนทำไมฉันถึงไม่เห็นเธอคนเป็นชีรู้สึกข้องใจ ฉันไม่ชอบให้ใครเห็นตอนกลางวานันถึงกลางคืนก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นฉันนอกจากว่าฉันต้องการจะให้เขาเห็นเธอกำลังพูดว่าเธอสามารถทำให้คนเห็นหรือไม่เห็นเธอได้อย่างนั้นใช่ไหมเข้าใจอวดอ้างนะหลอนใช้วาจาถาักทางอีกฝ่ายนี่ไม่ใช่การอวดอ้าง แต่จะขอเตือนเธอว่าอย่าได้มาทำอะไรไม่ดีในวัดโดยเฉพาะกับหลวงพ่อนั่นอย่าได้ไปคิดไม่ดีกับท่านเพราะแค่คิดก็บาปมหันแล้วขอเตือนไว้เท่านี้แหละหากว่าฉันไม่เชื่อเธอจะทำอะไรฉันไม่ทราบที่สาวท้าทายถ้าเป็นแต่ก่อนรับรองว่าฉันเล่นงานเธอแน่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทําแล้ว เราะฉันยึดบ้านในเทวธรรมคือหิริโอตัปปะจึงเพียงแต่จะเตือนเอาไว้ส่วนเธอนั้นน่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจถ้าเธอฉลาดก็ควรจะทําตามที่ฉันพูดอะไรนะเทวธรรมคืออะไรคนถามไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนเทวธรรมหมายถึงธรรมของเทวดาซึ่งได้แก่หิริกับโอตัปปะ หิริคือละอายใจต่อการทำความชั่วโอตับ ป, ปะคือความกลัวบาปเพราะฉะนั้นที่ฉันไม่ทำอะไรเธอก็เพราะฉันมีหิริโอตับ ป, ปะซึ่งนอกจากจะเป็นธรรมของเทวดาแล้วยังเป็นธรรมคุ้มครองโลกอีกด้วยอย่าบอกนะว่าเธอเป็นเทวดาคราวนี้คนพูดไม่สู้จะแน่ใจนะักฉันรู้ว่าถึงบอกเธอก็ไม่เชื่อ เอาละฉันเสียเวลากับเธอมามากแล้วต้องไปเสียทีและหล่อนก็เดินไปที่ประตูและผ่านออกไปโดยที่ประตูปิดอยู่อย่างนั้นชีชะบาหายง่วงเป็นปริดทิ้งรีบลุกขึ้นเดินไปที่ประตูครั้นเห็นว่ายังปิดลงกรอนอยู่อย่างเดิมส่งเสียงร้องลั่นผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยไฟที่สว่างอยู่ดับพลึบลงทันใด ชีสาวรู้สึกอกสั่นควัญหายรีบเปิดประตูวิ่งออกจากห้องไปทั้งมืดมืดวิ่งออกไปนั่งแปะอยู่ข้างๆแม่ชีเจียนกับแม่ชีเขียวซึ่งกลางม้งนอนอยู่หน้าบันไดช่วยด้วยช่วยด้วยพีหลอกพีหลอกหล่นเขย่าตัวแม่ชีเขียวแม่ชีเจียนลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟเห็นชีสาวนั่งตัวสั่นงันงกเหงื่อการท่วมตัวก็ถามขึ้น เป็นอะไรไปผีที่ไหนมาหอกเธอผีนางกาหลงผู้หญิงผมยาวๆผิวคล้ำๆตอบปากคอสันอ๋อเทพกาหลงนั่นเองเขาไม่ใช่ผีหรอกจ้ะแต่ก่อนเขาก็เป็นเปรตแต่หลังจากปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเขาก็เปลี่ยนสภาพจากเปรตมาเป็นเทพเขามาหาเธอหรือใช่ใช่จ้ะเขามาเตือน มาเตือนว่ายังไงแม่ชีเจียนซักเ ป, ปล่าจ้าเปล่าไม่มีอะไรหรอกถึงอย่างไรหล่อนก็ยังอยากได้ค่าจ้างเรื่องอะไรจะบอกความโลภมีอำนาจเหนือความกลัวหล่อนจะไม่ยอมล้มเลิกแผนการที่เตรียมมาแล้วแม่ชีอีกคนหนึ่งที่พักอยู่ด้านรงครัวได้ยินเสียงร้องของชีชบาต่างก็พากันถามไถ่ เกิดอะไรขึ้นหรือจ๊ะฉันได้ยินเสียงร้องจนตกใจตื่นคนอายุมากกว่าเพื่อนถามขึ้นคนอื่นๆก็พากันจ้องมาที่ชีบวทหม่ด้วยสายตาตำหนิไม่มีอะไรหรอกจ้ะอ้อบังเอิญฉันฝันร้ายเลยร้องออกมาต้องขอโทษที่ทำให้พี่ๆต้องลำบาก หลอนปลดหน้าตาเฉยโดยไม่เกรงใจสีลแปดที่รับมาเมื่อตอนบ่ายแมชีเขียวจึงพูดกับชีห้าคนว่ากลับไปนอนต่อเธอไม่มีอะไรแล้วคนทั้งห้ามองหน้ากันเลิกลักและจึงพากันกลับไปยังที่พักซึ่งอยู่ทางด้านโรงครัว แม่ชีเข้าไปนอนในห้องกับฉันเธอะฉันกลัวชีชบาพูดกับแม่ชีเขียวฉันคงไปไม่ได้หรอกขอนอนเป็นเพื่อนแม่ชีเจียนอยู่ตรงนี้ดีกว่าเขาก็คงกลัวเหมือนกันแม่ชีเขียวแซงปฏิเสธด้วยตั้งใจจะดัดนิสัยชีสาวงั้นก็ไปกันสองคนนั่นแหละไปนอนกับฉันทุกคืนเลยนะแล้วก็ไม่ต้องย้ายของออกด้วยฉันอนุญาต หล่อนไม่ไวายพูดเอาบุญเอาคุณแม่ชีเจียนนึกถึงคําพูดของท่านพระครูที่บอกว่ายังไม่ต้องย้ายของออกท่านคงรู้ว่าเทพกาหลงจะต้องมาจัดการเรื่องนี้นั่นเองฉันนอนตรงนี้ก็สบายดีลมเย็นออกจริงไหมพี่เขียวงั้นก็ขอนอนตรงนี้ด้วยคนก็แล้วกันชีชะบาสรุปถึงอย่างไร หล่อนก็ไม่กล้านอนคนเดียวในห้องแม่ชีเขียวได้โอกาสจึงพูดขึ้นว่าอย่าเลยประเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาตำหนิชันกับแม่ชีเจียนงั้นเราเข้าไปนอนข้างในกันเถอะนะแม่ชีเจียนรีบรับว่าก็ดีเหมือนกันหลวงพ่อท่านสั่งให้ดูแลชีชบาให้ดีก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านสั่งแล้วชีทั้งสองจึงย้ายเข้าห้องนอน ในห้องที่ถูกผู้มาใหม่ ย, ยึดครองหลังจากเข้ามาอยู่ในวัดป่ามะม่วงแล้วชีชบาก็เริ่มดำเนินการตามแผนหลอนพยายามหาโอกาสเข้าไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวกุฏิท่านพระครูทำเป็นว่าไปช่วยเด็กชายขาวกับเด็กชายแดงทำความสะอาดกุฏิเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะหลอนไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะมาปฏิบัติ หากมาด้วยจุดมุ่งหมายอื่นหล่อนไม่ต้องการชีวิตที่ดีงามแต่ต้องการชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองบาปบุญคุณโทษอะไรหล่อนไม่สนใจทั้งนั้นสนใจแต่เงินอย่างเดียวตอนสายของวันโกนท่านพลักครูฉันพัฒหาแล้วจึงลงมารับแขกที่กุฏิชั้นล่างชีชบาทาทีเป็นว่ามาช่วยดูแลความเรียบร้อย หลอนพยายามมาปรากฏตัวที่กุฏิท่านพระครูเพื่อให้แขกเหลือเห็นพวกเขาจะได้พากันเข้าใจว่าหล่อนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าอาวาสแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนฟ้าแฝดสองพี่น้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอันดีเพียงแค่หล่อนสร้างเรื่องขึ้นมาว่ารู้จักกับแม่ของเด็กทั้งสองและสัญญาว่าจะพาไปพบแม่หลังจากศึกแล้ว เท่านี้ก็ทำให้เด็กชายเชื่อสนิทว่าสิ่งที่หล่อนเล่าให้ฟังนั้นเป็นความจริงแต่หล่อนไม่รู้หรอกว่าบุคคลที่หล่อนไม่สามารถจะหลอกได้ก็คือสมภารเพราะท่านรู้ทุกอย่างเพียงแต่ไม่พูดออกมาเท่านั้นเมื่อท่านพระครูเดินมานั่งอย่างอาสนะ สตรีร่างท้วมวัยห้าสิบเศษก็เข้ามากราบและรายงานว่าฉันเป็นหลานแม่ชีก้อนทองจ้ะเขาสั่งฉันมาหาหลวงพ่อจเจริญพรและแม่ชีเขาสบายดีหรืออายุร่วมร้อยแล้วกระมังท่านถามถึงแม่ชีที่เคยมาอาศัยอยู่ที่ศาลาการปละเียนมีเทวดาจากต้นพิกุลมาชวนสวดมนต์ทุกคืนหลังจากเทวดากลับสวรรค์ไปได้ไม่นาน แม่ชีก้อนทองก็ขอไปอยู่กับพวกหลานๆเพื่อให้พวกเขาได้บุญด้วยการปรนิบัิรับใช้ญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมแกตายแล้วจะหลงพ่อตายก่อนอายุครบร้อยปีไม่กี่วันนี่เองหลานสาวแม่ชีวรางานน้ำเสียงบ่งบอกว่าภูมิใจที่มีญาติอายุยืนอ่อกลับบ้านเก่าจะแล้วหรือ โยมก็ได้บุญมากสินะที่เลี้ยงดูแกจนสิ้นอายุขายฉันก็คิดอย่างนั้นลจะจ้ะแต่แกเลี้ยงง่ายแล้วก็สะอาดสะอ้านจะกินจะถ่ายก็เรียบร้อยไม่ทำเลอะเทอะเปลอเปลืปล่นเหมือนคนแก่ทั่วไปที่ฉันเคยเห็นแล้วแกก็สติดีมากไม่มีหลงเลยจะ้ะแล้วยมถามหรือเปล่าว่าทำไมแกถึงไม่หลงเหมือนคนอื่นๆเขาไม่ได้ถามจะ้ะ แต่แกบอกเองบอกว่าคนที่หมั่นสวดมนต์เจริญกรรมฐานจะเป็นผู้มีสติไม่หลงตายแกยังสอนห ล, ลานให้สวดมนต์สวดมหาเมตตาจะ่ะแกว่าเทวดาสอนแกสมัยที่อยู่วัดป่ามะม่วงที่วัดนี้มีเทวดาด้วยหรือจ้าหลวงพ่อโยมไม่เชื่อที่แม่ชีเล่าใช่ไ้ยท่านพลักรูย้อนถามเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจะ่ะ คือจริงๆแล้วฉันไม่อยากเชื่อเพราะไม่เคยเห็นแต่ถ้าฉันไม่เชื่อก็เท่ากับแม่ชีโกหกซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแม่ชีแกอยู่ในศีลในธรรมจะโกหกไปทำไมจริงไหมจ๊ะก็ไม่แน่หรอกโยมบางคนก็สักแต่ว่าโกนหัวลุ่งภาคขาวเพื่อให้คนอื่นเขาคิดว่าตัวอยู่ในศีลในธรรมแต่จิตใจสกปรกลาโมก เข้าทำนองมือถือสากปากถือศีนนั่นแหละท่านหมายถึงชีชบาซึ่งนั่งเสนอหน้าอยู่ที่นั้นแต่แม่ชีก้อนทองคงไม่เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดกระมังลหลานสาวแม่ชีแกรงใจเปล่าเปล่าอาตมาไม่ได้ว่าแม่ชีก้อนทองอย่าเข้าใจผิดอาตมาเพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนบางคนก็ไว้ใจไม่ได้ ชอบแสดงละครตบตาคนอื่นแต่แม่ชีก้อนทองไม่เป็นอย่างนั้นชีสาวรู้อยู่เต็มอกว่าท่านพระครูหมายถึงหล่อนจึงถือโอกาสดําเนินการตามแผนได้การพูดขึ้นว่าหลวงพ่อหมายถึงหนูใช่ไหมจังคิดเอาเองท่านพระครูตอบสั้นๆหากก็ได้ใจความงั้นหนูจะพูดบ้างว่านอกจากจะโกนหัวนุ่งผ้าขาว แต่จิตใจสกปรกลามกแล้วคนที่โกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่จิตใจสกปรกลามกก็มีเหมือนกันในกุตินี้ก็มีคำพูดของหล่อนทาให้ญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นั้นครึ่งหนึ่งเกิดความแครงใจสงสัยในข้อวัดปฏิบัติของท่านพระครูส่วนอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นพวกที่มีศรัทธาแน่วแน่ไม่วันไหวนั้นรู้สึกสงสารท่าน ขณะเดียวกันก็นึกตำหนิชีสาวผู้ไร้มารยาทผู้นี้ท่านพระครูรู้ว่าถูกค่าศึกจู่โจมใช้แล้วหากขืนเจรจาโต้อตอบญาติโยมก็จะพากันคิดว่าท่านร้อนตัวจึงสู้นิ่งเอาไว้ค่าศึกได้ใจจึงลุกต่อหลวงพ่อน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรโท่เอ้ยจะคว้างงูทั้งทีก็ไม่พ้นคอ ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองรอนพูดจอดจอดชีอย่าพูดอย่างนั้นบาปนะผมขอเตือนอุบาสกผู้หนึ่งอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นถ้าบาปหลวงพ่อก็ต้องบาปเหมือนกันบาปก็ต้องบาปด้วยกันนะสิจ้าหลวงพ่อพูดพลางชะม้อยชะม้ายชายตาให้ท่านพระครูญาติโยมที่สงสัยอยู่แล้วยิ่งสงสัยมากขึ้น ท่านพระครูจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าตามสบายเธอฉันไม่บาปได้หรอกใครทําก็รับกันเองฉันเลิกทําบาปมานานแล้วแต่ก็ยังใช้หนี้บาปอยู่ญาติโยมทั้งหลายเอ้ยการทําบาปก็เหมือนกับการสร้างหนี้ยิ่งสร้างไว้มากเท่าไหร่ก็ต้องชดใช้มากเสียกว่าที่สร้างเพราะบาปมันมีดอกเบี้ยเหมือนกัน อาตมาเคยสร้างไว้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมาบวชแล้วก็ยังใช้นี่ไม่หมดนี่ขนาดทำกับสัตว์เดรัจฉานนะถ้าทำกับมนุษย์หรือพระสงฆ์องค์เจ้ารับรองว่าต้องชดใช้กันข้ามภพข้ามชาติเลยอาตมาถึงอยากจะเตือนด้วยความหวังดีว่าคนที่เห็นแก่สินจ้างรางวัลรับจ้างเข้ามาทำบาปนั้นมันไม่คุ้มกันเลย ท่านพูดด้วยเมตตาหมายให้แม่ชีชะบาเกิดสำนึกในผิดชอบชั่วดีถ้าว่าหญิงผู้นี้ถูกโลภะเข้าครอกงมจิตใจจนมองข้ามความหวังดีของท่านมีคนแบบนั้นด้วยหรือครับหลวงพ่อคนที่รับจ้างเข้ามาทำบาปนะครับอุบาสกผู้นั้นถามขึ้นมีสิโยมมีทุกการทุกสมัยนั่นแหละ ในอนาคตก็ยิ่งมากขึ้นโยมจดไว้เลยนะที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือไม่จดแล้วรอดูนะอย่าเร่งรีบตายเสยก่อนท่านพูดยิ้มยิ้มคำพูดของท่านทำให้ญาติโยมครึ่งหนึ่งที่คลางแคลงใจหายแคลงใจไปครึ่งหนึ่งจึงเหลือผู้ที่ยังคลางแคลงใจเพียงหนึ่งในสี่ของจำนวนญาติโยมทั้งหมดที่นั่งอยู่ณที่นั้น ทำไมเ็าต้องรับจ้างทำบาปละครับและทำไมต้องมีคนจ้างหนึ่งในผู้กลับใจถามขึ้นคนรับจ้างเขาทำไปด้วยอำนาจโลภะคืออยากได้เงินยึดเงินเป็นสารณะจึงทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ได้เงินมาส่วนคนว่าจ้างทำด้วยอำนาจของโทสะและโมหะเขาไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกความไม่รู้นี่แหละ จัดเป็นกิเลส ท, ที่เรียกว่าโมหะแปลว่าความเคล้าความหลงคนพวกนี้จึงถูกหลอกได้ง่ายพอมีคนมาบอกว่าพระรูปนี้ไม่ดีนะต้องหาทางทําลายท่านเขาก็เชื่อและเกิดไม่ชอบพระรูปนั้นเพราะไม่ชอบนี่แหละคือกิเลสตัวโทสะสรุปว่าคนที่ทําชั่วเพราะถูกโลภะโทสะโมหะครอบงําจิตท่านพระครูอธิบาย และหลวงพ่อจะยอมให้เขาทำหรือเปล่าครับถามอย่างเป็นห่วงจะยอมหรือไม่ยอมเขาก็ต้องทำแต่อาตมาไม่กลัวหรอกเพราะอาตมาถือตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่ารมโมฮาเวรัติธรรมาจาริงทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมยอมอย่าได้เป็นห่วงอาตมาเลยไม่มีใครทาอันตรายกับอาตมาได้ ยังเก่งก็ทำให้เสียชื่อเสียงอาตมาก็คิดว่าใช้กรรมหลวงพ่อจะ๊ะแม่ชีสั่งไว้ก่อนตายว่าให้ฉันมาหาหลวงพ่อหลานสาวแม่ชีก้อนทองขัดขึ้นนางไม่สู้จะเข้าใจเรื่องที่ท่านพระครูพูดจึงอยากพูดธุระของตนให้เสร็จจะได้กลับบ้านอ๋อนิยมมาตามคำสั่งแม่ชีหรอกหรือ แกบอกหรือเปล่าว่าให้มาหาทำไมสมภารวัดป่ามะม่วงถามยิ้มยิ้มบอกจ้ะแกบอกว่าให้ฉันมาบอกหลวงพ่อว่าเจ้ากรรมในเวรเมื่อชาติก่อนเขาตามมาล้างแค้นเขาส่งไส้ศึกมาทำใหหลวงพ่อเสียชื่อเสียงแกบอกให้มาบอกอย่างนี้จ้ะเสร็จธุระแล้วฉันขอนามสกาลลา นางกราบสามครั้งแล้วถอยออกมาจะกลับแล้วหรือฝากขอบใจแม่ชีก้อนทองด้วยนะที่อุตส่าห์เป็นห่วงอาตมาท่านพูดยิ้มยิ้มฉันจะไปบอกเขาได้ที่ไหนละจ้าหลวงพ่อในเมื่อเขาตายไปแล้วนางถามอย่างสงสยัยบอกที่บ้านนั่นแหละ จุดทูบบอกว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงขอขอบใจที่เป็นห่วงขอให้เมธีได้บรรลุมรรคผลในปรลโลกบอกอย่างนี้นะจ้ะฉันจะบอกตามนี้แต่ถ้าจำไม่ได้หลวงพ่อก็อย่าว่านะฉันมันแก่แล้วความจำก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นางพูดออกตัวแล้วก็ลุกออกไป แม้จะรู้ว่าท่านพระครูรู้แผนการของตนแต่ชีชะบาก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะทําการดําเนินตามแผนนอกจากท่านพระครูแล้วหล่อนยังเชื่อว่าเทพการหลมก็รู้ความโลภที่อยู่ในใจทําให้หล่อนไม่อายผีสางเทวดาเทวดาก็ส่วนเทวดาเธอะอย่ามายุ่งกับมนุษย์เดินดินอย่างฉันเลย ล่อนคิดเข้าข้างตัวเองวันพักกลางเดือนหลังจากที่ญาติโยมลากลับกันหมดแล้วท่านพระครูก็ขึ้นไปยังกุฏิชั้นบนเพื่อเขียนหนังสือกุฏิชั้นล่างจึงเหลือแต่ชีชบากับเด็กชายฝาแฝดชีสาวเห็นเป็นโอกาสคิดว่าค่าคืนนี้จะดำเนินการขั้นสุดยอดจึงบอกเด็กชายทั้งสองว่าคืนนี้สีทุ่ม เธอสองคนไปรับพี่ที่สำนักชีนะบอกว่าหลวงพ่อให้มาตามไปพบท่านหล่อนไม่กล้ามาคนเดียวเพราะกลัวเทพกาหลงทำไมหลวงพ่อท่านนัดให้พี่มาตอนกลางคืนละ่ะปกติท่านไม่ให้ศีกาเข้ามาหายามวิการแม่ชีทุกคนต่างรู้ดีเด็กชายแดงพูดอย่างพาซื่อเธอยังไม่รู้อีกหรื ว่าพี่นะเป็นคนพิเศษหลวงพ่อโปรโดยิ่งกว่าใครไเออนะเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่ารู้เลยเอาไว้เธอสองคนโตเป็นหนุ่มก็จะรู้เองแหละหลอนพูดอย่างมีเลไหนเด็กชายรุ่นหนุ่มพอจะเข้าใจแต่ก็กลัวว่าท่านพระครูจะทำโทษหากบกพร่องต่อหน้าที่จึงถามขึ้นว่า ทำไม ห, หลวงพ่อท่านไม่บอกผมเองล่ะครับคนถามคือเด็กชายขาวก็เธอเป็นผู้ชายเหมือนท่านท่านคงอายนะสิหรือถ้าเธอไม่เชื่อที่พูดจะขึ้นไปถามท่านดูก็ได้ไปสิถ้าทางเอาจริงเอาจังของหล่อนทําให้เด็กชายคู่แฝดเชื่อสนิทเด็กชายขาวพูดว่าไม่ต้องก็ได้ผมเชื่อพี่ตกลงคืนนี้สี่ทุ่มผมสองคนจะไปรับ อ๋อดูท่านมาหาด้วยนะให้ท่านหลับเสีก่อนเธอสองคนค่อยไปถ้าท่านยังไม่หลับก็รอจนกว่าท่านจะหลับหล่อนเกรงว่ามหาบุญจะรู้เรื่องที่หล่อนคิดไม่ดีกับท่านพระครูอย่าห่วงเลยครับสี่ทุ่มหลงหน้าก็หลับปุ๋ยแล้วแถมกรนครอกๆได้ยินมาถึงห้องผมเด็กชายแดงว่าสั่งการเสร็จแล้วชีสาวก็เดินกลับมายังสํานักชี เพื่อพักผ่อนเอาเรียวแรงไว้จัดการกับท่านพระครูทีนี้ละวนอจะได้ค่าจ้างเป็นเงินก้อนใหญ่เอาไปซื้อทองใสให้แดงไปทั้งตัวเลยอานิจาจาชีชบาผู้น่าสงสารหล่อนไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้จะนำชีวิตไปสู่อาบายทุกติวินิบาทนรกช่างน่าเวทนานัก